มีการกินน้อยพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยอะไรทุกอย่างให้มันน้อยไปน้อยไปคำที่ว่าให้มันน้อยไปนั่นมันจะพอดีหรือไอความเป็นจริงมันก็ยังไม่พอดีไม่สม่ำเสมอแต่ทำไมท่านถึงว่าให้เราทำให้มันน้อยพูดให้น้อยกินให้น้อยนอนให้น้อย เพื่อให้รู้จักความพอดีความเหมาะสมของพวกเรานั่นเองสาวกของพระพุทธเจา้าซึ่งจะเป็นสาวกของท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้คือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุจุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกอันนี้ สามีชิปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบนี่เป็นหลักที่สำคัญที่พวกเราจะยึดให้แน่นไว้ในใจอย่าลืมเป็นอันขาดฉะนั้นการพูดมากอันนี้เป็นเหตุกับบุคคลที่ไม่มีปรรัญญาการสงสัยมากการโพูดมากการโต้ตอบกันมาก เกิดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวหลายประการจนกระทั่งเป็นเหตุให้ความเห็นของแตกต่างกันแตกต่างกันไปเมื่อความเห็นแตกต่างกันไปความทะเลาะความมีวาสเขียงกันก็นมีเป็นมาเอยเกิดขบวนบายฉะนั้นได้ตั้งในความสงบเช่นนี้แล้วอะแล้มันดีมากแล้วก็ขออาภัยของปรดท่านทั้งหลายที่ประสบมาอยู่ในนี้ ไอาการผิดพลาดวางประการนี้ในคณะสงฆ์นี่ก็ดูดูไปเพราะว่าไม่เคยจะดูเรื่องมาพบกันใหม่แต่สะกดรอยอยู่ตามไม่ปรพยุดดังนั้นเมื่อเหตุอะไรมันเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านพอจงบัญญัติตามเหตุที่มันเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าท่านบัญญัติก่อนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสหธรมิ ต่างคนต่างจิตใจมาร่วมกันนั้นก็ฟังแต่ก็มีความตั้งใจมั่นอยู่เสมอมีความบังคีอยู่เสมอว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่มีพระที่ปกครองอยู่จะแต่เป็นสถานที่สาธารณะประโยชน์แต่มีหลักอยู่ว่าใครจะมาอยู่ที่นี่จะมาปฏิบัติอยนี่นี่ข อ, อนิมนต์ คนที่ตั้งใจอยู่มาแล้วแต่ว่าอาศัยสถานที่อยู่นี้อันไรอันหนึ่งซึ่งมันเกิดมาจะไม่เป็นพระธรรมในนั้นคณะสงฆ์ในที่นี้ก็จะต้องดูแลพยายามแนะนำคำสอนเช่นที่ท่านทำมาแล้วนะ่ะไม่สงบท่านทำไม่สงบที่ท่านสั่งขึ้นว่าหยุดให้การพูดกันเสีย นี่เป็นตัวอย่างแล้ก็เกิดความสนุกอันนี้ก็ไดกว่าการกระทาเช่นนี้ไม่ใช่หวายาหวังดีซึ่งฟอตทันทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ได้เป็นประโยชน์นี่คือความบวังดีในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นพวกเราทำไมจึงมีความยุ่งยากลำบากเพราะการปฏิบัติเช่นนี้เป็นธรรมดา ไม่ใช่ว่าถึง แ, แต่ปัจจุบันนี้เวลานี้ในครั้งพุทธกาลก็มีลําบากมากครั้พุทธกาลก็ลําบากก็เหมือนกันคนในครั้งพุทธกาลก็คนในสมัยนี้ถ้าเป็นปุถุชนมันก็เป็นปุถุชนเหมือนกันถึงนั้นเหมือนกันถึงนั้นสะนนการยุ่งยากการลําบากที่ในการประพฤติปฏิบัตินี้มันที่เกิดขึ้นมี เพราะว่าทําไมเราฝืนมันเราฝืนมันพระข้อประพฤตปฏิบัติท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องฝืนมันฝืนความรู้สึกของเราซึ่งมันเข้าข้างตัวเรามากทุกแขนงต้องฝืนเช่นนั้นเช่นว่าเรามันอืทานอาหารมากอ่างนี้เป็นต้นมาที่ทานวัน า, านมันน้อย ทานมืเดียวนี่ก็ฝืนพอแล้ว ม, มันฝืนพอทุกอย่างมีแต่เรื่องฝืนฝืนทั้งนั้นแตเพราะอะไรนะเราเป็นปุตุชนเราซึ่งเป็นปุตุชนอยู่ถ้าเราไม่ฝืนความรู้สึกของเราอันนี้ให้ความเป็นปุตุชนยืออันตรธานนั้นมันก็ยังฝังอยู่ในสันดานของเราเรื่อยไป การประพฤติปฏิบัติก็คือการฝ่าฝืนเรื่องจิตใจของเราซึ่งมันมีอยู่แล้วเป็นปุตุชนแต่ว่าคำสอนของท่านนั้นมีอำนาจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นซึ่งให้เป็นปุตุชนนั้นใ ห, เนใหน้เป็นอริยชนเป็นอริยชนได้ทะานั้นบรรดาภุธบริจัททั้งหลายในครั้งพุทธกาลบันนี้มันก็ไม่แตกกัน ตลอดถึงตัวท่านเองก็เหมือนกันอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านออกบวช mm. ก็เพราะท่านเห็นอย่างนั้น mm. เปลี่ยนแปลงฝืนมาเรื่อยๆมาถ้าหากว่าใครไม่พิจรารณาอันแยกคายก็ไม่เห็นความรู้สึกของเจ้าของกับสัจธรรมมันเปลี่ยนกันอย่างไรมันแปลกกันอย่างไรบ้างมันก็ไม่รู้สึกฉะนั้นอันนี้เลยเป็นข้อปฏิบัติ ข้อปฏิบัตินี้ไม่ใช่วิบัติเป็นข้อปฏิบัติถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงแล้วปฏิบัติตามก็เป็นข้อปฏิบัติถ้าใครใครไม่ยอมรับความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงและไม่พยายามทำตามใจชอบของเรานนเนห่ะมันก็เป็นวิบัติมันเป็นปฏิบัติแล้วมันก็เป็นวิบัติ เที่ยงคู่กันไปถึงแม่ว่าจะบวชมาถึงยี 30, ่สิบพรรษาสามสิบพรรษาก็ตามทีมันก็ไม่รู้รถธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมนุษยชาวประมงเขาไปจับปลาในหนองที่ไม่มีปลาไปทุกวันมันก็ไม่ได้ทุกวันเวียนแห่ไปทุกวันทุกปีมันก็ไม่มีไปทุกวันก็ไม่ได้ปลาทุกวัน จะไปเท่าไรมันก็ไม่ไดนปลาทำไมก็เพราะปลาในหนองนั้นไม่มีนี่มันก็เป็นกันฉันนั้นเช่นตัวผมเองนี้จะถือว่าผมได้บวชมานานก่อนปกทชันทั้งหลายเนี่ยผ ม, ม ผ, ม ผ, ผมจะได้มาผมจะได้ผลผมจะได้ความเลิอดตานดีอะไรก็เปล่าครับนานหรือช้าหรือเร็วนี้ไม่เป็นประมาณครับมันเป็นประมาณในการที่ถูกต้อง ความถูกต้องมันเป็นประมาณนี้ที่เกิดจะถือว่าแม่ท่านอาจารย์ท่านบวชทั้งยี่สิบพรรษาแล้วนะอย่างนี้มันก็ได้แต่ยี่สิบพรรษานั่นแหละไอ้ที่ความถูกต้องหมหมมดันไม่มนะีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเส้นเป็นนว ก, กะที่เข้ามาปฏิบัตินี้เป็นต้นถ้าพวกท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณา ให้มันแยกทายถูกต้องความบรรลุถึงธรรมะของพวท่านทางไหลาก็เกิดเป็นมีเกิดมีขึ้นมาการบรรลุธรรมะการกัดจารูธรรมะนี้ถ้าเรามาคิดไปอย่างก็รู้เหมือนว่ามันเป็นของสูงเกินไปไม่ควรที่เราจะเอามาพูดให้บรรลุธรรมะไอ้ความเป็นจริงคนเหมือนเรานี่แหละเสมอแล้วที่จะบรรลุธรรมะได้ บรรลุธรรมะยังไงคือเราเข้าใจในธรรมะอันนี้มันบาปบาปนั่นคือมันผิดมันผิดนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ต้นและว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นทั้งนั้นเน่ของทั้งหลายเหล่านี้เดีว่ามันไม่เกิดประโยชน์ต้นประโยชน์คนอื่นแล้วเข้าใจขัดเจนแค่นี้ก็เดียวว่าเราบรรลุธรรมะซึ่งเป็นในทางที่จะควรละ เมื่อเริมจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นพ่อปฏิบัติในการกระทําคําสอนของปปุตตะยามการบารรลุ ธ, ธรรมะก็คือการรู้แจ้งธรรมะไม่ใช่มันเป็นอะไรอย่างอื่นหรอเช่นเราเดินไปท่าน้ํเาเนี่บรรลุท่าน้ํารรลุท่าเรือเรานี่ก็คือไปถึงท่าเรือนั่นเองนะเช่นตัวอย่างว่าบรรลุท่าเรือขึ้นมาจากท่าเรือมาถึงสราเรานี้ก็ะเดี๋ยวเราบารรลุสราแล้วนะ มันมาถึงสลาแล้วเรารู้จักความเป็นจริงเรารู้จักความเป็นจริงที่ถูกต้องแล้วก็นั่นแหละซึ่งก็ว่าเราบรรลุความจริงบรรลุธรรมะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่แปลกไปอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไปอย่าง อ, างอื่นนอก็เป็นไปเช่นนั้นเมื่อบรรลุถึงธรรมะแล้วกิเลสทั้งหลายนั้นมันก็สางไปมันก็ลดไปเป็นธรรมดาของมัน เมื่อเรามีความเห็นชอบไอความเห็นผิดมันก็เลิกไปเป็นธรรมดาเช่นนั้นอันนี้เรียกว่ า, าการวรนลุหรือการเห็นธรรมะมันเป็นที่นี้ธรรมะอันนั้นมันคืออะไรอเปิดหนังสือดู ม, มีแต่ธรรมะเท่านั้นอันนั้นมันก็เป็นตัวหนังสืออันหนึ่งคือชี้ให้ไปบอกธรรมะคือความจริงเป็นทางดําเนินหรือเป็น เ อ, เอ้เครื่องมือที่ชี้ไปบอกความจริงไอ้ธรรมะมันก็ยังไม่มีอยู่ในนั้นอ่ะไม่มีอยู่ในหนังสือหรอกมันก็อ่านไปนั้นตัวธรรมะที่จริงๆนั้นเนี่ยที่เหตุผลที่มันเกิดจากความจริงเงี้นั้นมันเป็นตัวธรรมะคือความจริงที่มันถูกต้องมิฉะนั้นคนเรียนหนังสืออ่านหนังสือก็พบธรรมะกันน่อก็เป็นธรรมะนี่คนทั้งไม่เป็นธรรมะอืม ตัวธรรมะคือตัวที่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องแหละไอ้ความไม่ถูกต้องมันก็หายไปหมดเช่นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นหรือพระอริยบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นธรรมกลางเบื้องปลายทาให้ทั้งเป็นอย่างนั้นท่านระกิดเดชไปเป็นชั้นๆเป็นวางท่านวางตอนหนักบ้างเบาบ้า ง, างอะไรทั้งหลายเหล่านี้ ก็อาศัยอันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกอันนี้ตามเป็นจริงแลความรู้สึกที่สงสัยมันก็หายไปมันก็หายไปเองมันคือมันกําจัดตัวมันเองไม่ใช่ว่าเราไปกําจัดมันเมื่อเราปฏิบัติที่ถูกต้องเน่ยมันเป็นเองคือของมันเป็นเองมันมีสัตว์มีส่วนของมันอยู่ฉะนั้นเรามีอํานาจแต่ที่จะต้องปฏิบัติให้มันถูกจัดส่วนมันเท่านั้น เมื่อมันถูกจัดสว่วนมันมันก็รู้เองมันก็อเป็นเองของมันสิ่งที่มันเป็นเองมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนี้จึงเป็นไปไม่สม่ำเสมอกันเพราะความรู้จากตามเป็นจริงนี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการกระทำให้ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ ความรู้เกิดจากการกระทานี้กับความรู้ที่เราเรียนที่เราอ่านหนังสือนี่มันไกลกันมากแต่มันมีความรู้ชนิดเดียวกันแต่มันไกลกันมากไอ้ความรู้ซึ่งมันตามเป็นจริงนี่เมื่อรู้แล้วมันละรู้แล้วมันละใครให้มันละตัวมันเองมันรู้แล้วมันก่อละของมันเอง ไอ้ความรู้เทียมันจํามาด้วยสัญญาด้วยความจําของเรานี้มันรู้มันละไม่ได้รู้แล้วมันก็ละไม่ได้นั่นความรู้ชนิดหนึ่งเดียวไอ้ข้อความรู้ด้วยการจํามันเป็นเๆนนั้นไอ้ความรู้หรือการภาวนานี้มันจึงมีนั่นหมายฉะนั้นพระบร ม, มาศ า, าสตา ข, ของเราจึงเน้นหนักในการภาวนาในการปฏิบัติอย่างที่พวกท่านทั้งหลายมาอบรมในวันนี้ มาโกรงเพื่อตนเองถึงแม้ว่าจะมาอาศัยคนอื่นก็ปเป็นบางอย่างบางประการรว่วนที่แท้จริงเนี่ยมันจะอาศัยตัวของตัวจริงๆซึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นมเมื่อความเข้าใจรึกซึ้งตามความเป็นจริงนั้นมันเลืมอไม่ได้มันรื่อไม่ได้จะนั่งจะยืนจะเดินมันเลืมอไม่ได้ ในอิริยาบถ ท, ทั้งหลายในการยืนการเดินการ น, นั่งการ น, นอนอิริยาบถ ท, ทั้งหลายนี่มันมีความสม่ำเสมออยู่แล้วคือความรู้สึก น, นั่นมันประจำอยู่ในอิริยาบถฉะนั้นท่านรู้ทั้งหลายจึงเรียกว่าอิริยาบถเสมอการปฏิบัตินี้ให้มีอิริยาบถเสมอเสมอแต่เราก็เข้าใจผิด แต่ก็ไม่ผิดมากอะไรเท่าไรแต่ว่าเราจะต้องทาการยืนการเดินการนั่งการนอนให้สม่าเสมอเท่านั้นอันนี้มันถูกไปเพียงข้างนอกมันถ้าถูกไปทางข้างในมันเนี่ยพูดไปถึงข้างในเป็นปรมัตธรรมแล้วอิริยาบถมันเสมอนี่เรามีการยืนเรามีการเดินเรามีการนั่งามีการนอนหมายถึงท่านผู้รู้ ตามความเป็นจริงนั้นจะยืนอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะนั่งอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะเดินอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะนอนอยู่มันก็รู้อย่างนั้นของมันอยู่เรียกได้ความรู้อันนั้นมันสม่ำเสมออ่ในอิริยาบถฉะนั้นมันจึงมีการละรู้อันนั้นมันละ รู้แล้วมันักในตัวมันอันนั้นมันเป็นปัจจิตังเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งมันมีในจิตซึ่งมันทำลายอาสวะทางหลายออกจา ก, กจิตใจของมนุษย์ทางหลายได้นั้นทาไมท่านจึงละจิตดีได้ทำไมท่านจึงละความโรคได้ทำไมท่านจึงละความโกรธได้ทำไมท่านจึงละความหลงของท่านได้ ก็มีคําเดียวเพราะท่านรู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นรู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะต่อสู้จะไม่มีอะไรให้เกิดทหตให้เกิดปัจจัยขึ้นมาอีกอืโรคอันนั้นมันก็มีไม่มีปัจจัยที่จะเกาะให้มันเกิดขึ้นมาหลงนั้นมันก็มีปัจจัย โรคโรยโถงนั้นไม่มีปัจจัยที่จะเกาะเกี่ยวให้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะท่านรู้เหตุมันแล้วรู้จะเหตุมันแล้วเช่นนั้นเหมือนกันกับเรานั่นแหละเหมือนกันกับเราเหมือนกันกับเรากระสั์ยกตัวอย่างง่ายเลยเขาอภัยด้วยเน่ยอาหารของมนุษย์ทั้งหลายนั้นกับอาหารของสัตว์ต่างกัน เช่นว่าไก่อย่างนี้เป็นตัวอย่างมันไปพบอะไรอะไรเข้ามันเป็นอาหารของมันเป็นเรื่องสมศึกตกลบของมนุษย์แต่ว่าไก่มันแย่งกันกินแต่เรามองเห็นนต่ทำไมมันละได้ไหมมันไม่เอาอ่ะถ้าไปวัดเรื่องของไก่แม่ไก่มันชอบกันได้เกินถ้าหามันมีความรู้ดีมันอัศจรรย์มนุษย์เหมือนกันเนี่ยนะทำไมมนุษย์มันละไปได้ อย่างนี้อันนี้ก็เพราะว่ามันเหนือกากันมากทีเดียวเลยอันนี้ก็บฉันนั้นเรื่องที่ท่านไหรละนั้นมันเรื่องไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่มันเป็นโทษทั้งหมดนั้นที่พระศาสดาท่านละชวนในพว ก, พวกเราละให้ทิ้งให้ละก็สิ่งที่มันควรละ อ, อันนั้นเี้มาเห็นชัดทังหมทิ้งของท่าน ไอ้ที่พกเราทาั้งหลายยังจมอยู่ในโคลนนั้นก็ไปพยายามเอาไอ้สิ่งที่ทัานพิ้เงเยเกิดประโยชน์อยู่มันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้อืมฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของกิจการภาวนาเนี่ยเรื่องการพิดเจรณาให้มันแยกคายที่สุดดังนั้นที่พวกท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติในที่นี้นั้นอจึิงในเกิดประโยชน์ไอ้ประโยชน์นั้น คื อ, อมุ่งหมายประโยชน์ที่มันเกิดกับจิตใจของเจ้าของนั้นอย่าไปหุง่งหมายประโยชน์กับคนอื่นเลยเช่นว่าจะมาอบรมธรรมะกับผมนี้ผมจะให้ธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่างชอบใจแล้วรู้แจ้งแทงตลอดไปสมส ม, มาเ ส, สมอไปนั้นอันนั้นมันเป็นคนละเรื่อง เ, อเรื่องปฏิบัติเรื่องส่วนตัวของเราอันหนึ่ง เรื่องคนให้ธรรมะนั้นก็เป็นเรื่องอันหนึ่งเรื่องเข้าใจของเราแท้จริงเป็นเรื่องอันหนึ่งเหมือนกันให้ธรรมะข้อเดียวกันมีความแตกต่างกันมากมันไม่เหมือนกันไอพ่อเครื่องรับมันต่างกันมันไม่เหมือนกันเช่นนั้นะนั้นอันใดก็ตามอันใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายมาอบรมวันนี้ในคราวนี้นะ่ะ หรือในข่าวที่ต่อไปก็ดีแต่ถ้าหากามาเพื่อความสนบมาเพื่อความระงับมาเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ในหลักของพุทธศาสนาแท้จริงนั้นผมก็ต้องพยายามถึงแม้มันยากถึงแม้มันลบากอะไรก็พยายามฝ่าฝืนมาสมเคราะห์อนุขเคราะห์ช่วย ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สุดเพราะความจำเป็นเป็นวันที่สุดแห่งการอบรมในทีนี้แต่เรื่องความติดต่อนิสัยอุปนิสัยต่ อ, ต, อต่อไปนั้นผมกับพวกท่านทั้งหลายนี้ตามธรรมหลักของการประพฤติปฏิบัตินี้ชื่อว่าเป็นอันเตวาสิกกับอาจารย์ ที่ให้ธรรมะกวบท่านทั้งหลายนี้ท่านก็อเดียกว่าเป็นธรรมาจารย์ธรรมาจารย์คือที่ให้ธรรมะให้ขอ้อคิดให้แนวทางธรรมะมเรียกว่าเป็นธรรมาจารย์เป็นอาจารย์เรียกว่าธรรมาจารย์พวกท่านทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าเป็นอันเตวาสิกคือเป็นผู้ที่ได้สลับธรรมะกับผมซึ่งเป็นธรรมาจารย์นั้นสิ่งทั้งสองประการ น, นี้ มันเป็นคู่กันไปตลอดการตลอดเวลาต่างคนต่างอาศัยกันไปเช่นนี้อันนี้จะไม่ลืมในชีวิตเราทั้งหลายที่เกิดมานี้จะไปตกอยู่ที่ไหนก็ตามอะไรก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามที่ไหนก็ตามเป็นต้นให้พอกันรู้จักกะตันยูรู้จักกาตวเวทีรู้จัก ของอุปชารูจั ก, กจิตของอาจารย์ธรรมอาจารย์อาจารย์ก็รู้จักสงเคราะห์อันเตวาศีกซึ่งเป็นโูคจิตอันนี้เป็นธรรมดาเรื่องธรรมะข้อประพฤติปฏิบัตินี้โูคจิตมันวิ่งก่อนก็ได้โรคจิตมันวิ่งไปก่อนก็ได้เดินหน้าไปก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องนิสัย อุปนิสัยเรื่องปัจจัยเรื่องปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้ฉะนั้นต่อไปนี้พรุ่งนี้ผมจะได้กลับอาวาดตามที่เราได้ปรึกษากันแน่เพราะว่าถ้ากลับไปอาวาดในคราวนี้นั้นนะธุรหลายเห็นจะไม่ได้กลับมาอบรมอีกต่อเมื่อวันถึงวันที่สิบแปดนั่นแหละ ตามกำหนดการผมจะอรรถมารับรับไปพักวันตร้งกว่าพงนี้ก็จะอรรถมารับไปท่านแสงเพ็รตามกาหนดการที่เราพูดกันไว้แค่นั้นต่อ น, นี้ไปเวรามันมีน้อยโอกาสมันมีน้อยพวกท่านทั้งหลายที่หวังดีต่อการประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าจะมีอะไรที่ความมีความขัดข้องและมีความสงสยัย แล้วมีความจำเป็นที่จะศึกษาให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของพเราทั้งหลายนั้นผมก็ขอให้เป็นโอกาสที่ให้พวกท่านทั้งหลายได้จะถามปัญหาและกับผมจะตอบปัญหาให้ขอสมควรเพราะว่าเป็นวันทิ่สุดท้ายในสถานที่นี้ต่อ น, นี้ไปขอขอให้โอกาสพวกท่านทั้งหลายตามสบายทุกท่านเวลามันน้อย คณะหน้าเป็นยังไงคณะหน้าเป็นยังไงทุกท่านให้โอกาสแล้วมุมมส<อ>ุขที่ผมทาว่เกิ ด, จะจะดาคิดมนอ เ, น, เนี่เราะเจราะจรนี่ ร, า ร, ารา้านจะทายังไงอ่าระก็คือเราเก็บมันไว้ไม่ใช่เหลี่ยงมันก็ป่าลรว เบนจะขันทั้งห้าคืออะไรบ้างรูปเสียงกลิ่นลมเบนจะขันทั้งห้าก็คือขันห้าที่มันมีอยู่นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารบีญญาณที่มันมีอยู่แล้วคำที่ว่าระอันนั้นคือท่านรู้ว่ามันมันเป็นเตียงเบนจะขันนะเบนจะขันนี่เราชื่อมันอาศัยมันไว้ไม่ใช่ว่า เราจะไปละมันไนดะ้เช่นว่าวันนี้มันปวดหัวหรือมันปวดท้องมันเรื่องเด่นจะขันมันเป็นอย่งังไงที่เรามีอำนาจที่อยู่ที่เรารักกว่ามันเป็นจะขันเป็นของของเราเนี่ยเราก็เยายาห ย, ยุดยานักษามันไ ป, ปนพอสนควรรักษาเลยโดยกระ ท, ทั่งเพียว่าอันที่มันยากันตายไม่มีเราต้องรู้อย่างนี้เรียวกว่าการละเช่นมาเรา เป็นไข้เราจะต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นธรรมดามันอย่างนี้เราก็นึกในใจแล้วว่าตายก็เอาเป็นก็เอากลางๆไว้เมื่อมันไมแน่นอนเรื่องเป็นจต่ขันมันเป็นเรื่องคนเป็นแต่ขันถึงขามันร้อนมันก็ร้อนถึงขามันเย็นมันก็เย็นถึงขามันเจ็บมันก็เจ็บถึงขามันปวดมันก็เห็นแต่ว่าสักแต่ว่า ทุกเกิดขึ้นมากะสักเ่วดาทุกเบรทนาสุขเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าสุขเบรทนาเท่านั้นคือไม่มีตัวมีตนของเราไปฝังอยู่ในที่นั้นนี่เรียองการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมานะมันมีปรากฏอยู่แล้วมันมีปรากฏอยู่การปล่อยวางก็เห็นว่าอันนั้นเราบอกคนไม่ได้ เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของเบญจการมันจริงของมันอยู่อย่างนั้นเรื่องเรารู้จักว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันนั่นเองและเราไม่หมดทางไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันแก้ไขมันในความรู้เท่าเทียมความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยวางธรรที่ว่าปล่อยอย่างนั้นเราก็รู้เรื่องว่ามันเป็นเป็นนั้นแล้วเราก็ปล่อยสุขกสัจเต่ว่าสุขทุกขกสัจเตว่ามันทุก เป็นของศัก์แต่ว่าอันนี้เบนจะขันนี้เรายึดว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราอันนี้จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าต้องพยายามว่เาเบญจะขันนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยว่าเป็นธรรมธาตุอันนั้นเกิดมาแล้วมันก็หลับเพระมันไปอย่างนั้น ใครจะไปล่อล่อมขอยอมมือทุกสิ่งทุกประการใ้มันเป็นไปอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันก็หมดทางแก้ไขของมันแล้วได้พะวัติจิตมันก็วางมันละเหยไปเองของมันเี่นนั้นด้วยการกำหนดพี่เจตนาเช่นว่าเรากลัวอย่างเนี้ใจผมทํำยังไงมันถึงจะหายหายกลัวต้องสู้กับความกลัวซะก่อน ที่หมันกลัวจะไปรู้ตรงไหนมันกลัวอย่างเช่นว่าประช้าเรากลัวมันนะอยู่ประช้าเรากลัวมันตรงนั้นเรากลัวเรไปนั่งอยู่ตรงนั้นให้มันกลัวตรงที่กระทันตืนมันกลัวให้มันกลัวไปสุดที่มันกลัวมันก็เลยตายไปมือนกันไอ้กลัวเนี่ยมันก็ตายไปเหมืนกันนะ่มันหายอะไรอย่างนี้ถ้ามันเป็นเช่นะออมันเป็นอย่างนี้เองเช่นว่าการปวดอย่างเนี้ย แม่มันปวดดื้อเตือนนะจริงเอาชนะมันได้ยังไงคือไม่ชนะมันก็หยุดสะกนทิพยมันอีกวาระหนึ่งน่ะมันจะปวดจะเก็บได้อดื้อยังไนเราจะเอาชนะมัเอาดูจิตายแต่วันอวันนี้ตายกันพูดอย่างนี้ไม่พูดมาก่ะวันนี้ตายกันตายกันเพราะมันปวดขานี่ยนะนั่งนี้นะจะให้มันตายแต่วันนี้มันจะปวดมาจะได้แข็งมาแล้วว่าเราตายแล้ววันเนี้ย นะให้ต้องคิดมันดอกปวดตัวตายมันตายแล้วให้ตายวันนี้ตายไม่เป็นนี่ตายเขาตายท่าเดียวนะผลที่สุดเอาให้มันตายท่าเดียวนะมันตายเมื่อมันไหลมันซื้อบอกมันหมดทุกข์แล้วเออมันเป็นอย่างงี้ก็ได้นะนี่นะนี่เราจะมีกําลังเป็นมาแล้วในทางธรรมะเท่านี้ข้าเมตนาค่าเมตนาต้องต่อสู้อย่างนั้นอืมอันนี้เราก็เห็นเป็นจักเกิดมา การที่วางที่เบี่ยงมันทิ้งือจะรู้เท่ามันแบบว่าอย่างไงเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นแก้ไขไปพอสมควรที่เรียก ว, ว่าการเจ็บมีไหมมีที่ท่านวางวางแล้วขันห้าวางการเจ็บยังมีเจ็บมีอยู่แต่ว่าสักแต่ว่าเจ็บทุกอย่างยังเป็นอย่างเก่าอยู่นะแม่ใจฉันหวานแม่มก็ยังหวานอร่อยอยู่นะเนี่ย เมื่อเราจะฉันเปรีย้ยวมันก็ยังเปรีย้ยวอยูย่นะไม่ใช่ว่ามันพิ้งไปหมดหรอกเตวะเปรี้ยวก็สักเตว่าเปรีย้ยวหวานก็สักแต่ว่าหวานอร่อยก็สักเตว่าอร่อยไม่ไปซ้ำมันอีกในทีนั้นเลยก็มันเป็นของมันอย่างนั้นความรู้เท่าเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านได้รูร้แต่ว่ารู้รูปก็คือตัวรูปเวทนาก็คือความเสมอิุขเสมอทุกสัญญาตัวความจสังขารก็คือความปูนแตง บินยาณก็คือความรู้เราเห็นมันแน่ไม้ใช่นหมเห็นเห็นมันแน่นอนนะไอในในในรูปในเวียดนามในสัญญาในสัญญาในเรีนญาณนี่มีแต่ของไม่เที่ยงเท่านั้นเนี่ยอันสวดสูตรนี่มันได้ของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าเอออะไรมันก็ไม่เที่ยงมันก็เท่านั้นอันนี้มันก็เท่านั้นอันนี้มันก็เท่านั้นมันเป็นอยางนั้นของมันมันก็วางในจิตมันก็วางแต่แค่ว่ามันมันวางมันรู้ มันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราพยายามชิดอย่างนี้พยายามภาบนาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอันนั้นมันก็มันรู้เท่ากันวันหนึ่งกันได้แต่มันก็สัมพันธ์มนุษย์นะกรดทีเมมันไม่สบายแต่มันชอบกรดกันเนาะเมื่อความกรดเกิดมามันขุ่นมันมัวมันไม่สบายแต่มันชอบอยากจะกรดไม่รู้เป็นไงนี่มันชอบเป็นอ่ะมันชอบเป็น อันนี้เรียกว่ามันไม่เทียงมันก็ไปกลัวดีนั้นแหละจะเอาเทียงอยู่ได้เอาไนดี้นได้อืมอันนี้มันก่อนสำคัญว่านี้ต้องเกิดมันเกิดขึ้นมารต้องระงับตัวดยการพิจารณาให้มันถึงที่สุดของมายกตัวอย่างเช่นว่าพระคดีมณน์กับพระอานุ์พระคดีมณน์ป่วยนะโอ้โหร่างกายเนี่ยมันหมดตรงนั้นเนี่ย พระพุทธ อ, องค์มีมนพระอานณ์ไปเทศนิฟังเทศนเป็นเญจขันธ์นิดเดียวไปถามว่าไอ้ทินิมนต์เป็ น, ง น, ไ, ป ไ, น, น ไ, ปไงท่านเก็บที่ไหนปวดที่ไหนท่านว่าโอโ้โหท่านผมตอบท่านไม่ได้เลยครับขึ้นเชื่อไปในร่างกายที่ไหนไม่เก็บที่ไหนไม่ปวดไม่มีเลยพระอานุนประเทศสัญญาสิทธินี่ครสัญญาในขันธ์ห้า เรื่องมันเป็นของไม่แน่นอนเนี่ยที่นี้มันมนก็ฟังไปด้วยจิตก็สงบเข้าจิตก็สงบเข้าภาวนาก็เห็นเข้าไปจิตสงบเข้าไปดรืยด้วปัญญาก็เถิดเออเห็นว่าสิ่งทงั้งหลายนี้ไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ตัวใช่ต้นไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอย่างเนี้ยมันก็เลยแยกกันออกคนละอย่างไอ้ความยึดมัน่นถือมันมันได้แยกออกจากเวทนาทั้งหลายเหล่านั้น ในเวลานั้นจิตใจของท่านไม่ไปยึดในเบธนาทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าพระิดีมโนนเกิดความสบายเพราะังธรรมสัญญาสิบจากพระอ น, นุนฟังแล้วโลกก็หายแอ่ว่าเมื่อพระป่วยตรงวันนี้ก็พยายามไปสวดให้ฟังนะแต่ว่ามันไม่หายแต่ว่าแต่ว่าว่ามันไม่หายคือคือมันไม่รู้ธรรมะตามเป็นจริงนั่นเองอะ วัดไทยก็ยิงลอง้อยิงกลางไปด้วยอมันไม่หายนี่เดก็คิดให้ธรรมะนี่ไม่ใช่ไอความจริงมันไม่ใช่ตรงนี้นะเทศให้เข้าใจธรรมะแล้วคิตมันวางยอมทิ้งไปมันวางอย่างนั้นอแต่า ม, มาธรรมะที่เข้าใจในใจจริงๆกับธรรมะที่เราไปยินเฉยๆนี่มันต่างกันนะสวสดให้หายแล้วมันไม่หายหรอกแต่มันพอใจเสี้ยจริงๆแล้วมันหายเของมัน มันสักเตวสสักเวทูแต่มันก็หายอันนี้ก็เป็นเครื่องที่สาคัญของพวกเราเหมือนกันนะถ้าคว่ารี่อาพัวามีาว่ามีไอ้วิจารณ์ิดก็เป็นแก่นคือว่าควารู้นี่จะจะป็นทาแกามันก็เป็นิว่าแทางป้องกันให้แบบวิจาริเป็นแก่นให้า้ีมันเยออ๋อ ถ้ามีชาา okay. ้าที่ตีข้าไปแล้วมันก็ท <|no|> ุกเกิดขึ้นมาเท่นั้นแหละมันก็มีทุกเกิดขึ้นมานั่นแหละอย่างว่าคนขมยนก็คิดว่าต้องตัดแ่ขโยคนนี่ไปทำในการนาาเนี่ยเขาคิว่าเขาตัดแต่ได้ค่าคนไมันจะเกิดไไม่ได้ตรงนั้นมันไม่ได้่างนั้นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องคนภาปนาอันคนยังไม่รู้จัก ท่านต้องไ่ทำให้รู้ในธรรมะอันนี้อันนั้นกี่คนยังไม่รู้จักแต่ว่าคนยังไม่รู้จักอันนั้นผิดไหมมันก็ผิดแน่ะมันก็ผิดอยู่มิฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาท่านจึงให้ศึกษาบางคนมันก็ว่ามิฉาทิฏฐิมันก็เป็นสมาธิของเขาใช่ไหมอมันเป็นเหนั้นท่านั้นท่านจึงให้ศึกษาหาเหตุผลอันนี้ ในมิจฉาสิท ธ, ธิได้สมาริติอันนี้มันไปไม่จบมันมีอันตรายกลางคันถ้ามันเป็นเพนนั่นเดี๋ยมันทุกข์เช่นว่าอ่ามันไปโป้นเข้ามาเช่นนี้มันเป็นมิจฉาสิทธิแบสักว่าแต่ทําไปนะเอ้ามันสักว่าจะทําไม่ได้น้อตรงนี้เนาะมันสักว่าจะทําไม่ได้ไปโป้นเขาดิมันสักวา่าจนะทํานี่ยถึนะเมมปปง <laughs> เ, มมเขาจับมาได้ก็ไปติดตะลังหรือเขาจะคิดว่าสักว่าจะติดตะลังเฉย อันนี้มันเป็นคำสมมุติที่มันไม่มีนะที่มันไม่มีไอ้ความไอ้ความเป็นจริงอันนี้ที่สักแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธิแล้วมันเป็นไม่เป็นเรื่องของมิจฉาทิฐิสักแต่ว่าอย่างนี้มันเป็นคนแรท่อนอยู่แต่มันก็คงมีเหมือนกันนะมันคงมีมันคงมีเหมือนกันอืมแต่คือคนนั้นมันหลงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันเป็นอย่างนั้น เช่นว่าแมวนะแมวอย่างนี้มันจะคบหนูกินใครจะบาปแมวจะบาปด้วอหนูมันจะบาปอันนี้เรียกว่าสัตว์จำพวกทั้งหลายนี้มันเป็นกรรมของสัตว์อยู่แล้วจนกว่ามันไม่รู้อะไรมันเป็นอะไรลย อันนี้มันก็ยังไม่เป็นบาปอะไรคือว่ามันเหนือบาปไปแล้วคือไม่อยู่ในล็อกอันนี้ไอ้ตัวนี้มันอยู่ไม่อยู่ในล็อกนี้มันอยู่ในล็อกนู้นตรงนั้นพวกนั้นพระพุทธเจ้าก่ม่รับการพิจารณาไอ้กรรมของสัตว์ก็ผักไปตรงนู้นไม่ได้มารับดีใจในตรงนี้อ น, นั้นเรียกว่าหลงจนกว่าเทวันเป็นอภิภาษัตถ์แล้วนะเป็นอภิภาษัตถมันเป็นส่วนหนึ่ง แต่ว่ามันก็พี่เรียกว่ามันทําอย่างนี้เดีว่ามันป้นคนกระสักเดีว่าบป้นคนฆ่าคนกระสักเดีว่าคนอันนี้ถ้ามันไม่พูดเอาเฉยเฉยมันก็คงเป็นไปไน่ได้จับไปติดตารางมันก็สบายใจเมื่อสักแต่ว่าติดตารางมาคงคิดไม่ได้นะอันนี้มามนุษย์กรรมกระตุ้อยู่ในไว้ัยหยุ่มชอบแบบนี้มันอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไอความทุกข์กับความสุขเนี้ยมันเกิด คือจากการพ่อเห็นผิดเห็นถูกก็นีถ้ามันไม่รู้มันก็ยังไม่รู้จักเช่นว่าเรานะจะไปกรุงเทพนะเอากระเป๋าสตางค์ใส่ใส่ถุงไปไปดีไปอยู่นะเมื่อเดินตรงลงบ้านไปจากบ้านไปไอป้เป๋าสตางค์มันดูดเข้าไปแต่เราก็เข้าใจผิดนะนึกว่าเป๋าสตางค์เขยังอยู่นะไอ้ความเสียใจมันก็ไม่มีมันจันีร์สบายใจ แต่ว่ามันไม่สบายตลอดไปล่ะเหตุมันนะ่ะเหตุที่ไม่สบายมันมีอยู่แต่ที่มันสบายในเวลานั้นเพราะเรายังไม่รู้เฉยๆที่เมื่อเราไปซื้อตัวรถไฟนั้นนะ่ะเราจะไปร่วมกระเป๋าในกระเป๋าสตางในกระเป๋าดันไม่มีนั่นแหละตอนนั้นเป็นทุกข์แล้ว น, น, นี่รู้จักมันเป็นทุกข์เมื่อเรารู้จักเมื่อไม่รู้จักมันก็ไม่เป็นทุกข์ แต่ก็ว่ามันก็ชะลออยู่นั้นแหละชะลอให้เป็นจะให้ผลอยู่ให้ผลเมื่อเธอรู้จักขึ้นมาจะเป็นทุกข์มันเป็นในธํานองอันนี้ไอ้ความไม่รู้จักก็ให้เราสบายก็มีสบายเพราะไม่รู้จักเหมือนกระเป๋าสตางมันตกหายไปนั่นแต่เมื่อรู้จักขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์รู้จักความผิดถูกอย่างนี้แต่ก็เล่ากำหนดได้อย่างเดียวว่าอะไรก็ช่างมัน อันนี้ผมก็เคยพิจารณาเหมือนกันคนคนเดียวพิจนารณาไม่รู้ว่าหลงหรือไม่หลงนะไม่รู้จักน ะ, ะพเราภาวนาไปรื้อๆทําไมถึงจะรู้จักว่าเราหลงหรือเรารู้หลงไม่รู้เกิดการพิจารณามุนเิยันทุกนี่แหละสําคัญมากมันเกิดทุกมันเกิดสุขเกิดทุกที่มันนี้ไม่มีความสม่ําเสมอนั้นแหละเรียกว่าอันนั้นมันผิด ที่มันก่อทุกข์ขึ้นมานั่นมันเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ัหมือนมันเป็นเหตุขึ้นทุกข์ง่ายง่ายกิรณาง่ายง่ายไอ้ธรรมราที่มันถูกต้องอันนัะมันจะไม่หาเหไปในทางอื่นมันจะวางความดีใจหรือวางความเสียใจไว้ให้มันรู้เท่าหรือความสม่ำเสมอของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอีกถ้าอย่างไงถึงจะพิจารณาในรูปแรกตาม หรือว่าบางทียังรู้สึกว่ามันยังไม่พีใจนายเห็นทามความคิดมาเลยไม่คที่จะปล่อยวางนะเราะมันไม่สุขใช่อันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะอ่ามันเป็นปัญหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจนสมสงรุ่นกันถ้ามันยังไม่เห็นเราก็พยายามพยายามจนกว่ามันจะเห็น เรียนง่ายๆก็เหมือนเราเรียนหนังสือแต่เราเขียนตัวนี้ยังไม่สวยไม่งามแล้วก็ต้องพยายามย้ํามันอย่างนั้นแหละออานี่มีอะไรเราเขยยายาเียนพยายามนึกพยายามเขียนพยายามน่ะเรียกมาพยายามเรียกว่าความเขียนแต่พยายามอยู่ตรงนั้นมันก็มีเรื่อง่รงนี้ยที่จะพยายามให้มันรู้ให้มันเห็นแต่ว่าจะไปบังคับไปมันรู้เดี๋ยวนี้มันเห็นเดี๋ยวนี้มันร้อนเกอนไปมันก็ลาบากนะอ่าเรื่องธรรมะนี่เรื่องที่ เกิดขึ้นเมื่อในการจิตเจ้าสม่ำเสมอในการปล่อยมาผมเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อนั่งสมาธิอย่างนี้เราจะอยากให้มันสงบเดีางนี้อย่างนี้อย่างนี้ยิ่งมันวุ่นวายบางครั้งเราทําใจปล่อยให้สม่ำเสมอพอเอาเท้าขวาทับต่อไปมือเท้าทับมือขวาทับไปแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมายมันสมรุมก น, มนกันมาสงบประกอบอันนี้ต้องประอกอบความเพียรต้องพยายามความเพียร มันือฟ้งเพียนกบ ห, ด แ, ห, ด, แ ด, หดแล้วนั่นในหมดตรงมันไปมันไปจนยีที่ฟ้องพี่เหร่เลยนี่มันไปจนอยู่ตรงนั้นตน้องพยายามตรงนี้ไม่มีอะไรจะแก้ไขละแก้ไขจะต้องพยายามตรงนั้นมันจะถอดสร้างอันนี้เอาไปนั่งอย่ตรงนั้นก็ได้แต ไ, ได้ไม่ได้ถอดแล้วมันเป็นเองเลนะครับจะถอดออกไปมันนั่งมันตัวเราถึงไทยก็เป็นตัวเราถึงนั้นนี่ครับเลืมตาขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นดับตาขึ้นเป็นตัวเราจริงๆทุกอย่างทุกส่วนทุกสิ่งไม่ได้สงสัยเลยค่ะ แต่เม well ื่อจิตมันเป็นมันมันมันแน่นอนนะมันไม่มีไม่ไม่ห่วงไม่เหงาไม่มีดีวอนตัวหนึ่งใส่จจนกว่าเรามหัศจรรย์เรื่องของเราอีกนะครับงแม่อันมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมันไปได้จริงๆริืมตาขึ้นอย่ยมันหายไปตับตาแล้วมันเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันเป็นอย่างเงี้อันนี้เราก็ไม่ทีจะพูดมีเรื่องสมาธิถ้าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนไม่รู้จักนะถ้าพูดไปเราก็หาว่าเราเป็นบ้าทังที่ก็เป็นอย่างเขาว่าจริงจริง ก็พูดให้ดูเรื่องเนั้นนั่นเรื่องสมาธิเรื่องไม่ดูจับถ้าหากว่าเป็นเหตุผลอย่างอื่นนะเรานั่งสมาธิถึงจุดนี้เป็นอย่างนี้เกิดแล้นั่งขึ้นมาขึ้นมาอย่างท่านเนี่ยอย่างท่านเนี่ยวาเนี้พรุ่งนี้จะมาเบียดเบียนผมยังไงพอนั่งปุ๊บก็ไปเงี้ยมันเกิดขึ้นมาตัวท่านองค์นี้หละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีงฐานนั่นจริงๆ มาแล้วมาทําหอกมาทําบาวุธมาตวาดอะไรรุนแรงวุ่นวายเนี่ยอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีครับี่พุ่งนี้ปรือนี้สวันมาแล้วเราก็ดูเอออิตานียคนมาเดี๋วน้าระวังให้มันดีดนะมันแน่ก็มีครับมันแน่นี่มันเป็นเสอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่ครับคราวมันเป็นมันก็เป็นไปข่าวมันไม่เป็นมันก็เป็นไม่เป็นไป อันนี้เราจะไปเชื่อมันแน่นอนเลยล่ะดูแต่รู้เท่าที่ว่ามันมีเกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงกัดปะอย่าไปมั่นมาเลยท่านมันเป็นอณิจังมันไม่เที่ยงหรอกวันนี้มันจะมาชกเราพรุ่งนี้มันจะมาหว้เราอะไรหลายๆอย่างเลยเนหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ให้รู้มันจะดีกว่าดีกว่ามิฉะนั้นเรื่องสมาธินี่มันกว้างมากจะน้อมไปทางไหนก็เป็นไปจะทําน้ำมนตก็เป็นน้ำมนต์จะทำหน้าอะไรมันก็เป็นอะไร มันไดยดีไปได้หลายอย่างไปครับขนาดนนมันเสื่อมอันนี้มันเสื่อมทีนี่เรื่องจิตใจคงคงกินสมาธิก็เป็นวิปัสสนานี่โอ้ยมันไกลกันมากไอวิปัสสนาเดินทงทงจะลืมตาก็ได้จะรับตาก็ได้มันรู้อยู่อย่างนั้นนะอ่ะมันมีอยู่ซื่มันเข้าใจอลไอย่างเงี้ยเที่ยไอสมาธินี่สาจิต้าไปแล้วก็เรียกว่าโอ้โห ไม่อยากกินข้าวถึงนั้นแหละนั่งมันก็ทั้งวันก็ทั้งคืนนั่งก็ตลอดจนเป็นบา้บาบา้บาบอๆก็มีเป็นบา้าอะไรยิ่งดีตอนั้นนะอไอ้พวกนี้ีไอ้คนเราเขาพอชอบนั่งมาได้จะไปโน้นเป็นไม่ไปเล่าอะไรที่เรื่องเราไม่รู้จักนะมาพูดให้มนุษย์ฟังนะไอ้พวกนั้นก็เชื่อเชื่อโดยทางที่ไปรู้จักกันแหละเอออะไรที่รู้แล้วเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกผู้ที่ไม่รู้จั ก, ม, ก, ม, จกมนุษย์มันเชื่อมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้พระพุทธเจ้าแสดงให้มันเชื่อในการรู้ ไอคนเอาทารู้นะมันมันไม่ค่อยเชื่อนี่มันแปลกแบบนี้น่ะไอถ้าพูดในเรื่องภพมโรคในเรื่องเทวราอารักทางไหนายโอ้โหมันเชื่อแล้เกิดมนุษย์นี่มันก็แปลกเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันฉลาดมันก็โง่เหมือนกันนะมันแปลกเหมือนกันอย่างนี้มนุษย์เรามันชอบเป็นอย่างนั้นครับทีนี้เรื่องทางศาสนาเราก็เรียกว่าคันธารุระหรปัตตนาธุระคันถาธุระในการศึกษาอย่างเช่นศึกษากันพ่อเนี่ย นี่ปรัชนาธุรกคือมาพิจารณาให้มันแยกภายในความรู้เราต่างๆมาทําให้มันถูกต้องให้มันเป็นไปตามให้มันตรงกับจิตใจมาใช้เรียกว่าเป็นปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่มีมากอะไรน่ะมันมากเฉพาะจิตใจของมนุษย์มันไม่ลงกันเท่านั้นเนี่ยไอคนนี้เห็นอย่างนั้นคนนั่นเห็นแบบนี้มันไม่มีจบสักทีหรอกผลที่สุดก็เลยเกิดอันตรายหลายๆอย่างผิดไม่ระงับอยู่ข้างนอกตรงระงับอยู่ข้างในไอฉะนั้นผมก็เรียกว่า ได้อบรมลูกศิษย์วันนี้หลายหมื่นหลายแสนคนเหมือนกันนะมันก็เห็นมันเป็นแค่นั้นครับอืมจะให้ท่านองนี้กับองเนี้ยไปเรียนมาไหนศึกษาธรรมะกันทีเดีเนี่ยเอาลองกันเถะไม่มีทางจบแล้วไม่มีจบแ่ะวมีจบอันนี้มันจบไม่ได้มันกรมนีกลมมักลมมันกรมวงขนาดนี้มันจะจบไม่ได้นะวงขนาดนี้ก็จบไม่ได้ก็เพราะมันกลมนี่เอาสีลองดูสิมันเป็นวัตจัรมันพูดไปตามวัตจั จิตเราก็เป็นบัตตาอยู่แล้วก็พูดกันตามบัตตาพูดไปตามบัตตาได้เลยอย่างพงเพล่เท่าไอ้ฟังไงไอ้หลานตากั่หลานเนี่ยไอ้ตาจะไปไหนก็พ่อจะไปเผาศพค่ะศพคนตายตายตาคนตายแล้วมันไปเป็นอะไรมันไปเป็นผีตาเขาบะเด็กมันถามนะตาผีตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นสาง ตาตาสางมันตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นคางแดงตาคางแดงตายแล้วมันเป็นอะไรไม่ไปไม่ไหนไปมันเป็นขดผ่อขดแหม่เลยคือมันไม่รู้เรื่องของมันครับนี่แหละเรื่องเรื่องมันไม่จบอเให้ทันวิ่งไปข้างหน้าดีเพรจะไล่ท่านเสียท่านจะหมดที่ไปไหมวิ่งไปจนที่เท่านั้นแหละ เออเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ครับมันเรื่องมันโลกแตกเงี้ยเอาเรื่องอย่างนี้เราอย่าไปเอาเหตุผลจนปอดมามันอย่างนั้นเลยมันไม่จบครับเหตุผลนั้นไม่จบถ้าจะพูดอะไรแล้วก็ถาโลกเราจะต้องให้มีเหตุผลนั่นอ่ะเหตุผลในส่วนศีลธรรมเนี้ยถ้าเหตุผลอย่างลึกรับไม่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลไม่จบนี่ทุกคนมันมีเหตุผลทั้งนั้นนะมีเหตุที่มันโมเหตุเน้ผลคือฟรนิพา ไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีผลนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกนอกเกิดเหนือตายนั้นไม่ต้องเถียงกันแล้วพวกเราเด็นะไม่มีอะไรจะเถียงแล้วเนี่ย่เรามันเรียนไปนกคึ่งคึ่งจะเถียงกัน่ะเถียงอะไรมันถูกของใครของใครเท่านั้นเนี่ยมันไม่จบแล้วมันเรื่องมันไม่จบมันวงมันผบมันก็ไล่กันไปเนี่ยกายแค่หลานเท่านั้นเนี่ยเนี่ยกระพมดาหลานเท่านั้นเนี่ยมันไปไม่ได้ทำไงล่ะเนี่ยขอให้พวกเราสหายเข้าใจว่าในการปฏิบัติอย่างนี้ ให้มันดูอย่าพุ่งออกไปมันมากเลยผมตามพอแรงเงื่อนกันอันนี้ตามไปแล้วครับอมันยิ่งไกลไปไกลไปย้อนกลับมาดูต้นทีว่าวันนี้ใจเราสบายเนี่ยสบายเพราะอะไรเนี่ยวันนี้ใจเรามันเป็นทุกข์ทุเพราะอะไรไม่ใช่มันเกิดมาได้ร้อยหรอกครับมันเป็นทุกข์มันมีอะไรนั่นละเหตุมันเนี่ยกรับเหตุมันทุกข์พอพกแก้วไปนี่มันแตกนี่ มันจะเป็นยังไงแก้ไว้นี้มันทําไมมันถึงแตกมันเ็นทุกแก้ไว้นี้คืออะไรไปจะถามครับเขมแก้ไว้นี้มันแตกไอ้ของมันแตกเนี่ยแก้วว้นี้คืออะไรถามมันไปแก้ไว้นี่มันก็ไม่ไม่ไม่รู้จักมันเป็นแก้วสมมุดไม่รู้มันเป็นอะไรมันก็ไม่บอกวันนะ้นทเกิดมาแล้วมันแตกมันแตกทําไมเราถึงเป็นทุกข์เพระเราเข้าใจปะของเราไอ้ของเราทํำไมเดถึงให้มันแตกแล้วนี่ เนี่ยแล้วเราเราวนไปวนมาครับพวกไปวนมาพวกไปวนมาแล้วโอ้รููที่รู้ที่ไม่มีอะไรมันจะหายไปครับนอกแก้วเราก็ไปยึดมันไปนะฮะอันนี้มันไม่รู้จากหลักใครรู้จาว่ามันเป็นแก้วไหมเนี่ยมันก็ไม่รู้จากมันนะมันเป็นธาตุอันนี้เป็นวัตถุเฉยๆเท่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าแก้วมันก็เป็นเป็นแก้วโดยสมมติแต่แต่ที่จริงมันไม่มีอะไรนี่ครับเห็นมันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรครับ พึ่งมันจะแตกไปนี่แก้วนี่มันก็ไม่เสียหายอะไรครับมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนตัวเราโน้นไม่แตกมันทําไมมันทุกข์ล่ะใช่ไหมเนี่อย่างต้นไม้ในสวนแล้วนี่ทุกทุกตัวทุกต้นน่ะถ้าหาก่าเราเออฮะเราทุกคนเดียวไปเกิดอยู่ทุกต้นไม้ต้นสมมติบางต้นบางอย่างที่อยู่ในสวนเลยนะเราอยู่บนบ้านเราแต่เราไปเกิดเป็นร่วงอยู่ทุกต้นในในในวัดตอนนี้ของวัดนั้นเนี่ยอืมทําไมจะเป็นงั้นล่ะเรามีสวนนี่สัก ร้อยไร่ปลูกลำไยเพืนเพือให้คนอเมริกมาฟันที่แต่ตัดที่โป๊กโ๊กเอ้าตั้งอย่างคุณฟังว่าใครมาตัดต้นมันถูกเร า, เราแล้วนะมั้ยไปดูไปตัดต้นลำไยเระเอาแล้วถูกเราแนะล้วนะเจ็บปวดเดี๋วนั่นนะครับเนีน่คือตัวประทานนีนเป็นตัวเป็นตัวหนอนไปอยู่นั่นมันไม่มีรูปหรอกครับมันไปยึดไปตรง น, นั้นถ้าว่าไปตัดไม้ในป่าเราก็เฉยใช่ไหมอันนี้มัน เพราะไม้ในป่าไม่ใช่ไม้เรานี่น่ะอันนี้ไปตัดต้นลำใหญ่ที่เราเรียกว่าของเราก็ทุกนี่ดีไม่ดีก็ฆ่าก็าแกงกันได้เกิดเรื่องเกิดเราเกิดไปนี่นี่แหละครับตัวอุปทานนั่นแหละนี่พบหนึ่งต้นไม้ต้อนอะไเราเข้าใจของเราจริงๆนี่นเดี๋ยวรู้กันซะโลกของเราแต่ให้เรารู้เข้าไปซ้อนเข้าไปอีกว่าอันนั้นของเรานโดยฐานสี่สมมุติถ้ามันจะเอาจริงๆจังๆแล้วก็ปล่อยมันนะเราไม่ต้องเป็นทุกข์วันกรรมาตัวหนึ่งน่ะ ม้าตัวนึงมันฮึบเลี้ยงมันยากลำบากจับเชือกมันวิ่งแล้วก็จับมันไว้อย่าเพิ่งปล่อยนะครับถ้ามันวิ่งเต็มที่มันอย่าไปจับมันนะครับปล่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมือมันจะขาดนะให้มันไปเตะโซ่กับม้าอย่าให้เราเสียอะไรนะถ้าเราจับให้มันเราแน่นมือเราขาดปล่อยไหมถ้ามันไปขนาดนึงเราก็ตึงมันไว้ตึงมันไว้ที่เราสู้มันได้อะไรทุกอย่างของมันกันเนี่ยร่างกายของเรานี่กของมันกันสัมมาถึงดีดีเหมือนกัน ถ้ามันป่วยขนาดนึงแล้วก็ให้ยามันรักตามันไปนะถ้ามันเอาเต็มที่ไม่ไหวแล้ก็ให้มันเลยครับอย่าไปยุ่งกับมันด้วยอาเมืองไปฮะเออมันมีท่อนนี้เท่านั้นแหละมันเกิดมาแล้วมันก็ไปมันหมดที่จะรักษากันแล้วนี่มันหมดที่ของมันแล้วให้มีที่จบอย่างนั้นดีแต่เราไม่ค่อยอยากคิดกันอย่างนั้นนะเรามีตาคนหนึ่งมียายคนหนึ่งรักพ่อรักแม่รักตารักยายอยากจะให้ท่านอยู่นานๆนะ ในได้แปดสิบปีก็ขอเก้าสิบปีเก้าสิบปีก็ขอร้อยปีร้อยปีก็ขอร้อยห้าสิปีร้อยห้าสิปีก็ขอสองร้อย ป, ปีว่ะไอความคิดเรายัางนั้นมันถูกหรือเปล่าแต่ว่าความคิดมันมีทุกคนอยากให้อยู่นานๆแต่ว่ามันอยู่นานไม่ได้ถ้ามันถึงที่ถึงสมัยมันเราก็ให้ไปเราอยาให้มันเป็นทุกเราดูจักขอบเขตนี่เดียว่าผูร้รู้นี่ก็เดียวว่าของเรา ของเราก็ไม่ใช่ของเราเมันตนกันอยู่เนี่ยของเราโดยฐานที่สมมุติของเรามีที่ไหนไม่ใช่ของเรามีที่นั่นเข้าใจไหมให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าเรายังใช่มันอยู่ก็เป็นของเราใช้อยู่ถ้ามันจะไปยิงดื้อเราจะไปจากมันเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วนี้อันนี้กตัวของเราเนี่ยมันของคนในอย่างอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเรานะบางทีเราก็ไปก่อนของเรายังอยู่เห็นไหม บางทีกับของเราไปก่อนเราก็ยังอยู่นี่ครับเนี่ยมันคนสองคนเท่านี้เมื่ออะไรมันจะแยกกันเราก็ยังไม่รู้เราให้รู้มันไว้เราต้องแยกกันอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไ อ, ขอ้ของของของของสองอย่างเนี่ยมันต่างที่ของไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละเราใช้ไปเพื่อปัจจุบันธรรมเดียวนี้ใช่แก้วใบนี้เพื่อดืนานาม่มน้ำเพื่อไปทางานที่ยิจเป็นอยู่แต่นั้นแหะก็ไม่มีอะไรนี่ถ้าหากวันนี้ใช้แก้วใบนี้แล้วก็ ตัวทิ้งมันไปอันนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยตัวเราก็ไม่ใช่เราของเรามันก็ไม่มีไอความเป็นจริงมันไม่มีทุกอย่างไอทีเรือ่องเรามาพิจาณาชนีเป็นโทษก็มีน่ะเป็นโทษก็มีน่ะยังเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะมีรูปเกิดขึ้นมานี่ยนี่เราเรียนธรรมะไหมแม่เราไปบวชพระหลวงพ่อไปศึกษาธรรมะไม่ใช่ของเราเนะออกไปเป็นคารวาสหรอ ช่างมันทะลุมันไม่ใช่ของเราวางทีนี้ก็วางมันไปเถอะฉิบหายนะนี่อออันนี้อันนี้มันฉิบหายนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นะมันไม่ตรงไปอย่างนี้น่ะมันสับซ้อนกันนะอืมอันนี้พ่อเลยไปเรียนมาช่างของพ่อมัตต์ประพงษ์อะไปอยู่ป่าเขาวนั่นในตันซอในเด็ดขาด้วยนะอย่าไปํามเชนนั้นมันมีถ้วยจะใช้นะระวังให้มันดีๆน่ะมันซ้อนการเัน่เอง ไอ้ที่เดียว่ไม่ใช่ของเราเราเก็บให้ระวัดระวังอะละเอาเอาไปเอาใส่ทานล้วล้างให้ดีนะลูกนะเก็บไปให้ดีเช็ดให้ดีเดียมันจะแตกแล้วพูดไปเถอะต้องไปในธํานองนี้นี่เรียกคือผู้ปฏิบัติทำฉะนั้นผมจึงเด็ดขาดมาเอาละในตรงเรียนเนี่ยนะพอเท่านี้ก็พอไอ้จุดมันอยู่ตรงเนี้ยแต่มันพูดทุกตรงนี้มันก็พอแล้ว น, ะนี้่แล้วผมจึงเดียพูดวันนั้นว่า ก็คงยังไม่รู้ว่าเราเรียนกันมานานๆเกิดมาพ่อแม่หศึกษาหรือมันคนหนึอย่างกันเนี่ว่าเรียนคนทุกข์ไม่ได้เรียนเอาอนนั้นนะได้อนั้นมาเราที่เก่ดคนทุกข์อย่างเงี้ยอันนั้นเสียไปเราก็เป็นทุกข์อยู่ได้นั้นมาเราก็เป็นทุกข์อย่างเนี้ยเราเรียนขนาดนั้นธรรมะไม่ใช่ว่างั้นเอาอนนั้นไปฟอกสมมุติได้มาไม่ให้มันเป็นทุกข์เสียไปไม่ให้มันเป็นทุกข์มันมีมันมีต่างอย่างนี้เรียนทั้งโลกเนี่ยได้นั้นมาเราไม่ให้มันเป็นทุกข์ อืแต่ว่าได้มามันก็ยิงเพิ่มเป็นไม่รู้จักไม่รู้จักทุกคืคอมันมากเท่านั้นมันก็ทุกแต่ไม่รู้จักทุกอืมไม่รู้จักทุกเพราะมันทุกอย่างนั้นมันเห็นมันเห็นตรงมันมือดอยู่พราพุทธเจ้าท่าทนไม่ไม่ถึงว่าไอ้การการพ้นทุกเนี่ยไม่ถึงว่าการมีทรัพมากการมีอะไรมากๆการมีความรู้อะไรมากๆากท่านนี่หมายถึงนั่นคนมีทรัพมากมากเยอะไปเห็นไหมคนมีความรู้มากมากเยอะไปเห็นไหมพ้นทุกไหมมีมหมอย่างนี้ ท่านหมายถึงความถูกต้องให้มันรู้จักรเรื่องอย่างพมพอมพอันนี้มันแก้วอะไรดึงขิงแก้วหรือไม่อย่างนี้มีพวกโรคทั้งนั้นก็คงเสียงกันจนไปจนอุตลุดแล้วนี่ น, น, นะไม่จบเลยมันเป็นอันนั้นอันนี้วันหนึ่งผมนั่งเรือข้ามแม่น้ำกับด ร, ร์มาจากฝ ร, ร, ร, รั่งดรไอคนนั่นก็เคยมาปฏิบัติด้วยนะแก้ขัดในการทำบัดส่วนมุล ในการทํามาส่งเกมเหมืนอนร้องเพลงเล่นนะว่าร้องเพลงเด่นก็ร้องไปฮะก็เราชอบการฟังเพลงอยู่ก็บร้องเพลงเด่ น, นะอะไรเงี้ยแกไม่รู้จกักแกมาพูดวายหลายนะแกได้มาพูดถึงเรื่องได้ต่ออะไรกั น, นอ่ะเอามาพูดถึงเรื่องเคมีอะไรกันแล้วก็ไม่รู้อยาาา่างนั้นมาพูดถึงน้ํากับไฟนี่แหละอืถามเข า, มาอันนี้คืออะไรน้ําอะไรมันเป็นน้ําเ้าก็บอกว่านั้นนั้นผสมไปนั้น อะไรมันเป็นอันนั่นนั่นต่ออีกเพมกว่าสามเรื่อยเรื่ยเรยไม่ไม่ไม่ไม่ตอบไม่ได้ครับ <laughs> นั่งไปอะไรมันเป็นไฟพรากว่าอันนั้นมันสมสัมเป็นไฟอะไรมันเป็นๆๆอันนั้นนั่นต่ออีกเมถามไปเรื่อยเรืครับได้ไม่มีอะไรก็เลยหมดเอ้ยไม่ดี่ไม่จริงไม่จริงผมอม่าไม่ต้องพูดมันมากเขาเรียกว่าไฟกับไฟสักกระแววกันเ <laughs> ขาเรียกว่าน้ำเรากับว่าน้ํากันก็พอกันแล้ว